วันนี้เป็นวันเสาร์ที่6กันวายม2529ตรงกับวันขึ้น6คําเดือนเจียงบ้านหลวงพ่อยว่าเดือนเกียงเดือนนีเดือนสามบางบ้านเขาเลียว่ะเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสาม เป็นวันที่มีโอกาสว่างๆจึงจะบรรยายธรรมะเรื่องนิพพานให้คุณสัจพันธ์หวังเพราะว่าคุณสัจพันธ์ได้พูดไว้ไหนส้นเทพให้พูดเรื่องนิพพานให้ว่าอย่างนั้นก็จะถือโอกาสพูดให้ในวันนี้ หั่วข้อนิพพานหนึ่งนิพพานคืออะไรโดยย่อนิพพานก็หมายถึงวมพยศหมดไปหรือวมมีมานะทิฏฐิหมดไปหรืออวมมีโทสะโมหะโลภะหมดไป หรืออีกคำหนึ่งว่ากิเลสตัณหาอุปาทานหมดไปมีแต่ความเป็นปกติหรือว่านี่คืนนิพพานนิพพานจึงว่าหมดความร้อนมีแต่ความเย็นอกเย็นใจไม่ใส่ว่าอื่นไก่นิพพานนั่นจึงว่าอยู่ในคนทุกคน ไม่ยกเว้นจะเป็นผู้หญิงก็มีนิพพานอยู่เช่นนั้นจะเป็นผู้ชายก็มีนิพพานอยู่เช่นนั้นจะเป็นพระสงฆ์องค์เนนก็มีนิพพานอยู่เช่นนั้นจะเป็นคนไทยคนจีนคนตฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนขเขมรคนยวนคนลาวมีนิพพานเช่นเดียวกันจะถือศาสนาไหนลัทธิใดนุ่ผ้าสีอะไรก็ตาม มีนิพพานเช่เดียวกันนิพพานนั้นจริงว่าความดับร้อนให้หมดไปมีแต่ความเย็นอบเย็นใจคนโบราณจริงว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจแต่ว่าคนคนนั้นแหละจะทำให้มรรค น, นิพพานลาบดเกิดขึ้นหรือไม่ตนเองข้อที่สองปฏิบัติอย่างไรให้ถึง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 ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบถแม้จะยกมือยกเท้าก็ให้มีสติรู้สมมุติเอาที่หลวงพ่อทำอยู่เป็นประจำพลิกมือขึ้นให้รู้สึก่้อมือลงให้รู้สึกยกมือไปให้รู้สึก เอามือมาให้ยรู้สึกก้มลงให้ยรู้สึกเหนื่อยขึ้นหายรู้สึกเอียงใต้เอียงหัวห้ยรู้สึกพิฟตาขึ้นให้ยรู้สึกตาเลือบใต้แลว้วหัวห้ยรู้สึกคืนน้ํำลายลงไปนะเราน้ํำลาย จิตใจมันนึกมันคิดให้รู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วไม่ต้องยึดต้องถอยวางไปทำอย่างนี้แหละความรู้สึกนั้นนถนอดสัญญาความหมายรู้จำได้ฉัห่นั้นเมื่อมีสัญญาความหมายรู้จำได้บัดนี้ญาณก็เข้าไปรู้ญาณเปือเข้าไปรู้เมื่อญาณเข้าไปรู้แล้วปัญญาก็รอบรู้ ทั้งสามอย่างนี่แหละประกอบเข้ากันเดียวะ่ะยานของวิปัชนาเกิดขึ้นให้แก่ผู้กระทำเช่นนั้นยานของวิปัสนาเกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งรู้จริงตามความจริงเพราะศึกษาอยู่กับธรรมชาตินี่แหละศึกษาให้ได้กระแสพระนิพพา น, านทำไมจึงได้กระแสพระนิพพา น, านอาจจะมีข้อสงสัยก็เพราะรู้ รูปลู้นามรู้ลูกทำรูนามทำรูลูกโลกรูนามโลกรูทุกขังรูอนิจจังรูอนัตตารูสมมุติสมมุติอะไรรู้ให้ครบให้จบให้ท้วนแล้วก็รู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปลู้บุญรู้จริงจริงทำอย่างนี้ไม่ยกเว้นใครทำก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้อันนี้แต่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมก็เห็นตัวเรา กำลังนึกกำลังคิดกำลังทำกำลังพูดนี่ย่อเห็นทำเห็นทำแท้ๆอะเด่นไม่แปรผันเรื่องนี้ข้อที่สามเครื่องวัดว่าได้ต้นหางแล้วมีอยู่อย่างไรบ้างก็มีอยู่คือคนจะมองด้วยตาไม่เห็นจับไม่ถูกด้วยมือ จะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เพราะตาปัญญาหรือว่าจักษุปัญญาดังนั้นคําว่าจักษุปัญญาเนี่ยคือเราพิบตาเนี่ยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆไม่ได้เกิดมาแล้วไม่พิบเก็บพิษอบันนี้ไม่ได้คือมันพิบตาก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คือน้ําลายเราเป็นลมออกก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้ รู้แล้วก็สบายกรมโกรธกรมโรคกรมหลงลดน้อยไปหรือถึงกับจะหมดไปก็ได้นี่แหละคําว่าได้ต้นทางคือรู้จิตใจบรนลุเหมือ น, น, นคิดมันเห็นจิตเห็นใจบรรลุเนนมันคิดเดียว่าได้ต้นทางเพราะพระพรุทธเจ้าตัดสั้นการทำทางจิตทางใจเราก็ต้องรู้จิตรู้ใจเห็นจิตเห็นใจตัวเองกําลังนึกกําลังคิดนี่เองเดียวได้ต้นทาง เป็นเครื่องหมายอย่างนี้มองไม่เห็นด้วยตาแล้วก็ไม่ต้องไหว้ผีไม่ต้องเสื้อเลือกงามยามดีไม่ต้องเสื้อสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เราจะรู้จะเห็นจะเข้าใจตั้งแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราดังนั้นจึงมีภาษิ บ, บทหนึ่งว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้พึ่งผีก็ไม่ได้พึ่งเทวดาก็ไม่ได้ ที่สุดเพื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เช่นเดียวกันพ่อที่สี่ปฏิบัติต่อไปอย่างไรจึงจะรักสั้นสำหรับผู้ได้ต้นทางแล้วนั้นก็ปฏิบัติ ด, ดูจิตดูใจนึกคิดนี่เองเคลื่อนไหวไปมาโดยวิทยาก็ตามเข้าห้องน้ำห้องส้วมพอตามปฏิบัติได้ทุกลมหายใจจึงเข้าจิต น, น้ำก็ได้ ทำการทำงานก็ได้เพราะมือทำงานใจดูใจมันนึกมันคิดเห็นรู้เข้าใจตามใจไม่ต้องเข้าไปยึดไปถืออันนี้เป็นลักสั้นที่สุดเพราะเราเองเป็นคนทำอยู่ที่ไหนก็เราเองเป็นคนทำการพูดก็เราเองเป็นคนพูดอยู่ที่ไหนเราก็พูดได้การดูจิต ด, ดูใจมันนึกมันคิดก็เราเองเป็นคนดู อยู่ที่ไหนก็ดูได้จริงว่ารัดสั้นที่สุดไม่เลือกการเวลาทำอยู่ที่ไหนก็ได้อันนี้จะว่าตรงเข้าไปสู่จิตใจให้รัดให้คุ่มเข้ า, านั้นข้อที่ห้าที่สุดการเดินทางมีอะไรเป็นเครื่องหมายว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาอีกแล้ว เครื่องไม้อันนี้มองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือคือมันคาดออกจากกันนั่นเองที่ว่าไม่มีการติดต่อกันที่ว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาติดต่อกันไม่ได้อาตมาเคยทําให้ดูแต่เคยพูดให้ฟังหลายครั้งหลายหนใครมาก็พูดเรื่องนี้เพราะทุกคนต้องประสบเรื่องนี้เอาเสื้อมาคลุกไว้สองซดน หรือสองเสาหรือสองหลักดึงให้มันตึงตึงให้มันแข็งว่าอย่างในภาษาบ้านหลวงาอดีว่าให้มันแข็งให้มันตึงดึงอย่างแร ง, แ, รงแล้วก็คู่ไว้แล้วเอามีดตัดตรงกลางพอดีตรงกลางมันขาดมันก็สเสด็จหรือมันค้อนตัวเข้าไปถึงเสาหลักนั้นต้นนั้นก็ถึงเสาหลักนี้มันจึงติดต่อกันไม่ได้จึงไม่ต้องไปและไม่ต้องมาและต้องเป็นอย่างนี้ ทุกคนยกเว้ไม่ได้แต่ยังไม่เป็นเดียวนี้จวนจะหมดลมหายใจต้อประสบเรื่องนี้จริงๆมันจึงจะเข้าสู่สภาพเดิมของมันได้อันนี้แหละเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องหมายแต่มองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือเรียกว่าหมดเสื้อนั่นเองเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียว ผมพระองค์ไม่ยาวอีกต่อไปค่าสองข้อมือตามเดิมเพราะเรื่องเดียวเท่านี้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญทุกคนต้องประสบเพราะทุกคนต้องตายแน่นอนที่สุดธรรมแท้จะมีสิ่งเดียวกันจะถือศาสนาไหนก็ต้องไปที่ตรงนี้แล้วแต่ใครจะทำแล้วแจะใครจะไม่ทำนี่แหละ การดูจิตดูใจนี่จึงเป็นสิ่งที่อาัศจรรย์ที่สุดคำว่าอาัศจรารย์นี่กัอสิ่งที่ไม่เคยเป็นก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีก็มีการเป็นการมีอย่างนี้เป็นของที่อัศจรรย์มากเพียงดูจิตดูใจเท่านั้นเองดังนั้นธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้น จะถือศาสนาไหนลทัทธิใดก็มีเพราะมันมีจิตมีใจไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆนี่แหละเป็นเครื่องวัดของนิพพานไม่สวรรค์นิพพานเข้าไปทาดอย่างนั้นเข้าไปซาอย่างนี้ออกจากซาดอย่างนั้นออกจากสารอย่างนี้น อ, อ, อ, นอันนั้นมันเป็นคําพูดของขดัวาเป็นหัวข้อสันส้นๆ น, นี้เมื่อขยายตัวออกไป การปฏิบัตินั้นต้องให้รู้สึกเพราะพระองค์สอนเอาไว้แล้วว่าให้มีสติกําหนดรู้ในอิทธิยบุตรทั้งสี่ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้ตีอย่างนี้ก็ยังไม่พอท่านยังย้ำเข้าให้มีสติ เข้ามารู้ในอริยบทย่อยคููเหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็าตามให้มีสติรูก้การมีความรู้สึกตัวนั่นแหละเดี๋ยวมีสติรู้เมื่อมีสติรู้เขาเรียกว่าสัญญาสัญญาความหมายรู้จําได้เนี่ยอันสัญญานั่นแหละทําให้ญาณของวิปัสสนาเกิดขึ้นเมื่อสัญญามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น มันเคลื่อนไหวโดยวิทยกอบรู้มากขึ้นมากขึ้นยานปัญญาหรือว่ายานของมิพัส์นาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปสัมผัสแนบแนก่กับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จําได้ไม่หลงไม่ลืมไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับตาหลับตําลาเพราะมันมีอยู่ในเราเป็นอย่างนั้นเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จาได้เพราะยานเข้าไปรู้ เมื่องานสมบูรณ์แล้วปัญญาก็ต้องหลบรู้อันนี้เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้พ่องแผ้วว่องไวเมื่อจิตใจพ่องแผ้วว่องไวสะอาดดีแล้วตัดสินใจลงไปตัดสินลงไปการทาผู้คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่พลาดผิด เพราะปัญญาหลอบรู้ทีแล้วนี่แหละคําพูดคําสอนไ ง, ไง่ายๆการกระทําอย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องเรื่องการรักษาติณไม่เกี่ยวข้องเรื่องการให้ทานไม่เกี่ยวข้องเรื่องการทาสมถกรรมฐานเพราะทำความรู้สึกตัวรวมความแล้วอยู่ในควมรู้สึกตัวทั้งหมดเลย คนถ้าไม่รู้สึกตัวได้จะมีศีลไหมไม่มีอยากเป็นการทำบุญไหมไม่มีอยากเป็นการให้ทานเะ่ยไม่มีเป็นการรักษาศีลไหมไม่มีเพราะไม่รู้สึกตัวนั่นเองเป็นอย่างนั้นดังนั้นวิปัสสนา ก, กรรมฐานจริงว่ามันเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันตรงกันข้ามมันเป็นอย่างนั้นทำไมจึงพูดว่าวิปัสสนากรรมฐาน มันเป็นปฏิศักษ์ตรงกันข้ามเพราะทุกคนวะก่อนที่จ ะ, จะเจริญนิพพานต้องทํากรรมฐานก่อนว่าอย่างน้นอันนั้นก็จริงเราไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปศึกษากับครูอาจารย์จนได้สมาบัติแปดอันนั้นก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทางมรรคผลนิพพานอะไรจากนั้นมาพระองค์ เอามากับพวกปัญจวัคคีทั้งห้าไม่กินข้าวไม่กินน้ำกั้นลมหายใจมีสำลีอุดหูอุดจมูกอ ว, ววววิญญาณของสัตว์ต่างๆจะมาเข้าจมูกจะมาเข้าหูเข้าตาเข้าที่ไหนก็ไม่รู้แหละอดเข้าอดน้ำพระองค์ทําถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ได้กัดสรู้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทุกคนได้ยินเรื่องนี้ อันนี้แหละพระพุทธเจ้าทางไม่ใช่ทางทางไม่ใช่ทางเพราะพระองค์ทําแล้วนี่ยเป็นอย่างนั้นเราทุกคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาไม่มาก่อน้อยว่าทาเราใดเป็นไปเพื่อความเปรียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่ควรศึกษาไม่ควรปฏิบัติตามเนี่ยพระองค์สอนไว้อย่างนั้น แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องคนอื่นหรอกมีพูดถึงเรื่องตัวเองตัวเองไปนั่งภาวนาหลับตาขัดธมัดเจ็บแล้วก็มือหัวเจ็ง ม, มือซ้ายเจ็บเอวนี่เจ็บเอวบ้านหลวงเข เ, เรียกว่าเจ็บเอวปวดมึอนหมึไม่ยอมพิชยอมปิ้นนั่งทรมานอยู่นั่นเนี่ยดูว่ามันเจ็บมันปวดที่ตรงไหนดูอยู่ตอนนั้นเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละมันไม่เข้าใจ มันทรมานตัวเองมันเบียดเบียนตนเองแต่เราก็ยังทำเราไม่เข้าใจจริงจะได้ทำดังนั้นพระองค์สอนไว้ทุกแง่ทุกหมุมทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นคำสอนของพ ร, ระพุทธเจ้าควรศึกษาและควรปฏิบัติท่านสอนอย่างนั้น แต่เราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วพอทาไปตามครูบาอาจารย์สอนการ น, นึกการคิดคิดอิสระพาบาทมีควาพยศถือเนื้อถือตัวนั่นแหละเป็นการเบียดเบียนตนเองนั่นแหละเป็นการเบียดเบียนคนอื่นคิดอยู่ไม่หยุดไป่เติบแม้จะทําบุญก็าตามคิดอยากทําบุญไปทอดกระเทนบ้านนั้นไปบังสกุล บ, บ้านนี้ อันนั้นแหละเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นเมื่อไม่ได้สมหวังไม่ได้สมใจแล้วก็คิดพอใจไม่พอใจโกรธเกลียดสั่งขึ้นภายในจิตใจนั่นแหละเบียดเบียดตนเองเบียดเบียนคนอื่นแม้คิดจะทำบุญก็ตามเพราะเพราะว่าจิตใจนั้นยังไม่เป็นปกตินี่มันเป็นอย่างนั้นเราเคยได้ยินอย่างที่พระพุทธเจ้า กับพบระวรกลิกทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้พระวรกลิศไปชอบกับพระพุทธเจ้าดูรูปดูสมรูปสวยลูกงามชอบพอใจดูว่าอย่างนั้นพระวรกลิศไม่เคยดูจิตดูใจตัวเองพระองค์โกเลศด่าว่าอย่างนั้นก็นเลยไลพ่พระวรกลิศหนีหนีอย่ามาอยู่ที่นี่พระวรกลิศโกเลศ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 ตายแล้วก็เน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นพระวักกลิกก็ตายเป็นไหมตายเป็นเน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นถ้าตายเป็นเน่าเหม็นเป็นแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ทําไมเราอย่างนี้พระวักกลิกก็เลยเกิดมีความสนใจอยากเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าซีเข้าไปในตัวโคมคิดเพราะพระวักกลิกก็มีจิตใจที่มันเป็นปกติหรือสะอาดสว่างสงบหรืออุเปขาเหล่านั้น เพราะว่าก็เล็กก็เลยเกิดรวมเข้าใจเป็นมาอันนี้แสดงว่าเราไปจับเป็นปุกกลาทีฐานเราไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาโดยเหตุผลดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนวญาติเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาญาติเสื้อถือโดยเขาเล่าลือกันมาญาติเสื้อถือเห็นว่าเขาทําตามกันมาญาติเสื้อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตาราคำพีอย่าเสื้อถือเป็นการดโดานึกคิดเอาเองติด พ่ถ้าอยากรู้ดีไปดูเอาหนสือกลาเมสูตรมีเขียนอไว้หลายที่หลายทางคําว่าพระองค์ได้พระวกรักกะเล็กหนีหมายถึงรดี๋ยวผมคิดเอาเองนะนี้ภระวักะเล็กไปให้พนน้นหนีไปให้พ้นอย่าให้ดูได้เห็นหมายถึงหนีจากผมคิดปรุงแต่งนั่นเองไปให้ถึงไปให้พ้น อย่างให้กวมคิดปรุงแต่งอย่างสังขารปรุงแต่งจิตใจมันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งเพราะไม่มีสัญญาเพราะไม่มีสัญญางานจริงเกิดขึ้นไม่ด้เมื่อยังเกิดขึ้นมาได้ปัญญาจึงไม่ลอกรู้ไม่ใช่สัญญาว่าเอาของไว้ที่ตนั้นเอาเสื้ออาไว้ที่ตรงนั้นเอากางเกงไว้ที่ตรงนี้มีเงินเท่านั้นบาทมีทองคําเท่านั้นสลึงมีรถยนต์เป็นอย่างนั้น มีนามีสวนเป็นอย่างอันนั้นมันเป็นสัญญาของคนธรรมดาหรือของสัตรูดังนั้นสัญญาอันนี้จึงไม่จัดเข้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตัวนี้คําว่าเวทนาก็เสวยอารมณ์ไม่ทุกสัญญาก็เพราะเห็นรู้ไม่หลงไม่เลยสังขารไม่ถูกปรุงหยุกได้วิญญาณรู้ อันนี้แหละเป็นเครื่องมัดอันนี้แหละเป็นเครื่องหมายอันนี้แหละเป็นเครื่องเตือนจิตส ก, กิจใจเป็นทางเดินเข้าไปสู่นิพพานนิพพานนั้งจึงไม่เป็นบ้านไม่เป็นเมืองมันอยู่ในคนนี่เองพระพุทธเจ้าชิงสอนให้คนรู้นิพพานเอานิพพานไปใส้กับการกับงานทุกวิธีแม้จะทำการทำงานโดยวิธีใดก็าตามนิพพานนี่หนละเป็นลูกตุ้ม หรือเป็นเบรกรถหรือเป็นสมอกเรื้อไม่ให้เรือวิ่งไปเร็วไม่ให้รถวิ่งไปเร็วและนาซังเมื่อมันหนักก็เอาลูกตุ้มท่วงไว้คนจึงว่าอยู่กับนิพพานแต่ไม่รู้นิพพานในปาถนาอ้อนวอนขอร้องเอานิพพานที่นอกตัวเราไปไม่เคยรู้ว่านิพพานคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่เคยรู้เลย นี่แหละเป็นเครื่องวัดของนิพพานถ้าหากว่าเราไม่มีนิพพานอยู่แล้วคนก็ตายเลยโกรธขึ้นมาก็ซกตายเร็วนี่ดังนั้นนิพพานจึงเป็นลูกตุ้มเราลองดูลงไปสิในขณะเราฟังเทพก็ตามหรือทําอะไรก็ตามจิตใจมันว่างๆอยู่สบายๆายไม่ได้นึกได้คิดอะไร นั่นแหละท่านว่าอุเบกขาจิตว่างว่างนั่นแหละท่านว่าวางเฉยคือจิตใจของคนหรือชีวิตของคนมันว่างว่างมันเฉยเฉยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจจึงไม่รู้รสชาติของนิพพานไม่ใช่เฉพาะมีแต่สัตว์นะหรือไม่เฉพาะมีแต่คนนะพูดหลงไม่เฉพาะมีแต่คนนะสัตว์เดระสารก็มีเช่นเดียวกันเราจะมองเห็นได้ ด้วยตาของเราตัดเบริสการอย่างสุนัขหรือหมาแมวเหล่านี้เวลามันนอนสบายว่างว่างก็มีแม่หัวควายก็เหมือนกันบ้านหลกเขาเรียกว่าหัวควายทางนี้อาจจะว่าหัวควายก็ยังก็ได้มันก็มีว่างว่างแต่สัญญามันก็มีทําไมที่มันมีอย่างสุนัขหรือหมาเนี่ยพอดีพักพวกมันลอง ล, ลุกขึ้นไปเลยเนี่ย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 คนเรามันทำได้ทุกคนไปแต่เมื่อเข้าใจเลยอันที่เราทำความสงบนั้นเหมือนกับเราอยู่ในถ้ำเราเข้าไปในถ้ำจุดไฟความมืดมันหายไปแต่ความมืดมันไม่หายมันอยู่ในเรานี่เองความมืดมันไม่หายเอาไฟมาข้างหน้ามืดมันมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังมืดมันมาข้างหน้าเอาไฟมาข้างซ้าย มืดมันมาข้างหัวความสงบแบบนั้นสงบแบบไม่รู้สงบแบบไม่อยากรู้รู้อย่างไม่รู้อันนี้อันตอน อ, อย่างนั้นรู้อย่างไม่รู้แก่มันรู้ผมสงบแบบนั้นอันนั้นเรียกว่าสงบสมาธรกมฐานส่วนสงบวิปัสนากรรมฐานนั้นเหมือนกับที่เราออกจากถ้าไม่ต้องใต้ไส่อยู่ที่แจ้งความมืดไม่มีมองเข้าไปในถ้ำเห็น ลูกลางลักษณะสันฐานของรรมเห็นรูปทรงของรรมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมอันนี้เลยว่าความสงบของวิปัสสนาวิปัสสนาจึงแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเพราะหมดความสงสัยเพราะสัญญาตัวนั้นเกิดขึ้นทันว่าอย่างนั้นเมื่อจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมา มันเห็นมันรู้มันเข้าใจมันสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นความโกรธเหนือโทสะความหลงเหนือโมหะความโลภเหนือโลภโลกรธหลงกวงคืออยากได้ของคนอื่นหรืออยากได้ของสิ่งที่ไม่มีนั้นไม่ต้องเอาแล้วยหนือรู้แจง้งเห็นจริงอย่างการไปก็ไม่มีการมาก็ไม่มีเรียกว่าสหบกเป็นอย่างนั้น ดังนั้นจะสมมุติเปรียบเทียบให้ฟังเรื่องยานเกิดขึ้นเป็นพักเป็นลำดับเราจะพูดเอากันในง่ายอย่างที่คนตกน้ำบ้านหนวงพอเดียวคนตกน้ำบางทีกระโจนลงไปจมปุ๋มอยู่ทีเดียวลงไปฮอดเพลินหลอนยันพื้นดีขึ้นมาโผล่หน้าขึ้นมาไม่ได้มองไปทิศทางทางใดจมไปอีบตายไปเลย คนเส้นนั้นเดี๋ยว่าคนไม่รู้จักชีวิตจิตใจตัวเองเปงน็นยังไงบัด น, นี้อีกคนหนึ่งกระโจนนั่งลงไปปุ๋มลงไปพื้นยันพื้นดินขึ้นมาแรงๆมองเห็นทิศทางคือต่าฟังอยู่เบื้องนั้นแล้วก็พยายามพยายามลอยหรือไหว้ตะเกียร์ตะกายไปอันนี้เดีว่าได้ดวงตาเห็นธรรมได้กระแสพระเนธานเพราะรู้จักว่าต่าฟังอยู่เบื้องนั้นเป็นยังไง บัดนี้คนหนึ่งพอดีกระโจลน้าลงไปจมปิงยันพื้นดินขึ้นมาพ่ขึ้นมาลอยไปน้าพอเพียงอึกหรือเพียงแอวเหล่านี้ลอยไปบ้างเดินเดินไปนี่คนหนึ่งต้นน้าลงไปจมปิงฟูขึ้นมา ลอยไปน้ำก็เลยเพียงกลางแท่งกลางขาเราเนี่ยเดินไปได้สบายขึ้นไปสู่บนบกเดินไปไปอย่างนั้นอีกคนหนึ่งกระโจนน้ำลงไปแล้วก็ยันขึ้นมาน้ำเพียง